และเมื่อจะปฏิบัติทั้งทีก็ควรจะมุ่งไปสู่ภาะวะที่เนื้อภพภูมิทั้งหลายก็คือพระนิพพานนั่นเองดัที่หลวงพ่อขเขียนตั้งนะสุกโตนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นหลักใจนะเป็นจุดมุ่งหมายของพวกเราชาวพุทธเป็นการเตือนใจให้เราอย่าอย่าลืมนะพระนิพพานนันจะเพียงแค่ไปสวรรค์นี่มันไม่พอนะ ต้องไปให้มากกว่า น, นั้นนั่นก็คือพระาททิพนทุกพ้นจากสังสารวัตรแต่ว่าชื่อเอราวัณ น, นี่ก็ยังเป็นชื่อทางการนะของที่นี่นเวลาติดต่อทางราชการเนี่ยก็ต้องใช้ชื่อนะวัดเอราวัณแต่ว่าเวลาใช้คําว่าเอราวัณเนี่ยคนก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกต้องวงเล็บเลยว่าป่าสุกโตนะเพราะว่า ป่าสุโกโตนี่นะเป็นที่รู้จักกว้างขวางกว่าแต่ว่านอกจากเอราวัณและป่าสุขกโตแล้วนะยังมีชื่อหนึ่งนะที่ตามมาทีหลังเป็นชื่อรองนะก็คือสถาบันสติปฐานสถาบันสติปฐานนี่ก็จะว่าเป็นชื่อของป่าสุขกโตทีเดียวนักก็ยังไม่ถูกนะเรียกเป็นชื่อรองดีกว่าหรือว่าเป็นชื่อที่แสดงถึงบทบาทหรือจุดหมาย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 สถาบติปัฏฐานคือว่าก็คือการบ่งบอกถึงจุดหมายของที่นี่ในการสถาปนาหรือว่าสร้างสติให้เกิดขึ้นกับพวกเราโดยสายหลักสติปัฏฐานนะงั้นพวกเราเมื่อมาที่นี่แล้วเนี่ยนะก็ก็อย่าลืมนะชื่อนี้หรือว่าจุดมุ่งหมายนี้ของที่นี่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 การสร้างสติเนี่ยเราก็ต้องอาศัยหลักสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็มี4ประการนะท่าพวกเราที่อยู่นี่ก็คงจะได้เคยสวยดน ะ, ะมหาสติปัฏฐานสูตรหรือว่าอรมิมมีองแปดที่ว่าด้วยสัมมาสติสติปัฏฐานสีก็มีนะกิยน า, านุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน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 ทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในธรรมานุปสัสสนาสติปัฏฐานนี้ก็โดยหลักแต่เป็นเรื่องของใจเป็นส่วนใหญ่ถ้าไม่นับรู ป, ปรขันธ์ซึ่งอยู่ในขันธ์หแล้วส่วนใหญ่ก็ทั้งเกือบทั้งหมดก็เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นดัง น, น, นั้นเนี่ยสติปัฏฐาน4ี่ก็สรุปสั้นๆก็คือว่าให้เรามารู้กายรู้ใจตามที่เป็นจริงในการปฏิบัติ นะเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยกยายานุปัสนาสติปฐานซึ่งถ้าเราพิจารณารายละเอียดนะของกายานุปัสนาสติปทานเนี่ยเราก็จะพบว่านะมันมีส่วนส่วนที่พูดถึงเรื่องของอิริยาบทหรือเครื่องของการเคลื่อนไหวกายนี่ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะในบทที่เรียกว่าอิรยาปทาปภ ะ, ะหรือว่าสัมปชยปภะก็นะคือว่าเมื่อ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 นะซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกายะนุ ป, ปัสสนาสถิปปฐฐานการเคลื่อนไหวของกายก็มีหลายอย่างนะที่เราทำเป็นรูปแบบนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่านอกจากการสร้างจัหวาการเดินจงกลมแล้วเราก็ยังมีอิริยาบถอื่นนะล้างหน้าถูฟันอาบน้าทาครัว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 ถ้าพวกเราเวลามาปฏิบัติเนี่ยใหม่ๆ ม, มันจะมีอาการแบบนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะเราเสพติดผัสสะนะพอไม่ได้เสพอย่างเต็มที่เท่าที่เคยเหมือนเคยก็ยจะเกิดเพราะาอาการลงแดงนะเรียกว่าลงแดงทางผัสสะนั่เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาสารพัดเลยอันนี้ก็เป็นนิวรณตัวหนึ่งนะเรียกว่าอุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่าน นะความกระวนกระวายพอฟุ้งซ่านแล้วก็เกิดความร้อนใจพอกระวนกระวายแล้วเกิดความกุ่มใจตามมา <c oughs> ก็เลยเรียกคู่กันนะว่าอุทจากกุจจะกทำไปทำไปมันไม่ใช่มีแค่ถินนิมิธาความง่วงความเบือ่อความเซงมันไม่ได้มีแค่ความฟุง้งซ่านนะมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่ากูมาทำอะไรเนี่ยนะอันะอนี้เรียกว่าเกิดวิจิกิจฉาขึ้นมาละ กิเลสก็จะตั้งข้อสงสัยให้เราเนี่ยเกิดความครั่งคลังแคลงไม่มั่นใจว่ามาทําอะไรหรือทําแล้วจะได้ผลหรือไม่บางทีทําแค่สองวันนะก็เกิดความอไม่มั่นใจแล้วว่าเเรามาทําถูกวิธีหรือเปล่าหรือว่าเกิดความลังเลสงสัยว่าเนี่ยทำแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยเนะ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 แต่ว่าไอ้ความลงเลยสงสัยมันจะโผล่ขึ้นมาเพื่อรบกวนมาสมกับควาว่านิวร์เพราะนิวร์นี้ก็หมายถึงอุปสรรคนะขัดขวางการทำความดีเรากำลังทำความดีนะไม่ใช่แค่ทานศีลแต่เป็นความดีในระดับภาวนาแต่ว่ามันก็จะมีนิวร์มารบกวนในเวลาเราเวลาเราสร้างจาังหวะโดยจงกลมหรือว่าเราพยายามมีสติอยู่กับความอยู่กับ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 เราสมมุติว่าเราปฏิบัติครบกำหนดละสาวันห้าวันเรากลับไปเพียงแค่เราจากวัดเนี่ยไปถึงแก่งครอบถึงชัยภูมิเนี่ยก็เกิดผัสสะขึ้นมาแล้วบางคนก็เกิดความเกิดความอยากกินโน่อนอยากกินนี่ น, นะอันนี้เรียกว่าเกิดการมาชันทะเกิดการมาระคาขึ้นมาหรือว่าเกิดความหงุดหงิดขัดเคืองใจ แดดร้อนเสียงดังนะยิ่งพอไปที่บ้านนะไอ้สองตัวนี้มันก็จะมาลุมลุมเราเยอะทีเดียวนะหนังก็ดีโทรทัศน์ก็ดีนะคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียสามารถกระตุ้นการมาราคะการมาฉันทะได้ได้ง่ายแต่พอไปเสพพอไปเสพหรือไปเกิดผัสสะขึ้นมาจากกับสิ่งเหล่านี้ก็บางทีก็เกิด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 ความเบื่อความฟุ้งซ่านหรือว่าความเมตตาสงสัยนะแล้วเวลาขณะเดียกันนะเวลาเวลาออกไปเจอผู้คนนะออกจากลานจงกรมนะลุกจากอาสนะไปเจอผู้คนไม่ว่าในวัดหรือว่าออกไปนอกวัดหรือว่ากลับบ้านหรือไปที่ทํางานนะมันก็จะเจออีกสองตัวถ้านักปฏิบัติธรรมที่ฉลาดนี่ก็ต้องรู้จักทั้งสติปัญญาต้งสประการ นะถ้าว่าเราเจริญสิิปัญญาเริ่มแต่มีกายนุปัสนาะมีสติรู้ทันรับรู้การเคลื่อนไหวของกายนะมันก็ทำให้เราไม่ไม่หลงจมอยู่ในอำนาจของของนิวรนะความง่วงความฟุ้งซ่านแล้วก็ความอะไสงสัยจะเคิดอการก็ต้องมันนะตามดูรู้ใจด้วยรู้เวทนารู้จิตไอนะ้ตรงนี้สำคัญมากนะ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 เสียงพูดคุยของคนที่อยู่ข้างๆซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจว่าทำไมเราปฏิบัติข้อแม่ปฏิบัติหรือว่ากำลังเดินจงกรมนะกำลังติดอารมณ์ก็มีเสียงดังนะจากหมู่บ้านนะใกล้วัดนะเสียงรถยนต์เสียงก่อสร้างนะทำให้เกิดความมีเกิดความไม่พอใจหรือว่าเดินจงกรมดีๆก็ได้กลิ่นกลิ่นอาหารจากโรงครัวนะเกิดความอยากนะมันมันก็ต้องนะไม่เพียงแต่เราจะ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 ภาคที่เกิดผัสสะขึ้นมาก็ให้รู้เวทนารู้จิตการปฏิบัติบางทีมันในบางที่บางแห่งก็แยกกัน2 อ, ส, อส่วนนะหรือว่ามันจะเด่นไปคนละแง่ถ้าใครต้องการปฏิบัติแบบนะแบบเข้มข้นที่มีทั้งสองภาค น, นี้นะอยากจะชวนไปนะชวนไปเดินธรรมยาราเพราะธรรมยถาเนี่นะมันมีทั้งการเดินนะเดินทั้งวันเลยนะก็ได้เจริญ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 ก็เกิดผัสสะขึ้นมานะแล้วแต่เป็นผัสสะที่สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิฆะหรือพยาบาทได้ทั้งนั้นคือทำให้เกิดความไม่พอใจทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นะจะหาโอกาสที่เราจะได้ฝึกทั้งสองส่วนเนี่ยยากนะอนธรรมยาตาเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นอโอกาสที่ทำให้เราได้ฝึกทั้งสองอย่างแบบเข้มข้นเลย ฝึกทางกายอนุปัสสนาว่าเวลาเดินก็ให้รู้ว่าเดินเดิน เ, เวลาเกิดภาษาขึ้นมานะไม่ว่าจากแดดร้อนจากลมเย็นนะจากกลัวจากหินจากเสียงของผู้คนนะก็ให้มีก็มีสะติรู้ทันท่นที่หลวงพ่อท่านจัดให้มีนิเรเบให้จัดให้มีธรรมญาตตราเนี่ยนะก็ท่านก็มุ่งจะให้ เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะประโยชน์ท่านก็คือรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าส่วนที่เป็นประโยชน์ตนก็เข้มข้นพอสมควรนะเวลาเราปฏิบัติธรรและใจสงบเนี่ยในในวัดเนี่ยหรือว่าในในห้องในป่าเนี่ยมันไม่ยากนะแต่ถ้าเราจะสามารถรักษาใจให้สงบได้ทํากลางผู้คนที่เดินกันเป็นร้อยหรือว่าทํากลางอากาศร้อนหรือว่าทางที่ไกลฝุน่นก็เยอะเนี่ย อันนี้มันท้าทายท้าทายกว่านะเดินทำใจใสงบนะในป่านี่ไม่ยากจริงๆมันก็ยากนะสำหรับผู้ฝึกใหม่แต่ว่าไอ้ที่ยากกว่าคือว่าทำใจใสงบได้ท่ามกลางอากาศร้อนนะอ น, นีมันสำหรับที่ผุคคลที่เป็นนักปฏิบัติที่ต้องการที่จะฝึกตนให้เข้มข้นเนี่ยธรรมยาตรานี่เป็นเป็นแบบฝึกหัดที่ท้าทายนะ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 อันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากกว่าแต่มันก็ทำได้นะถ้าว่าเรามีสติไวที่จะรู้ทันเวทนาแล้วก็รู้ทันปฏิฆะหรือพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วเวลาเกิดผัสสะ ข, ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดทุกขเวทนาทางกายทำยังไงนะถึงไม่ให้เกิดทุกขเวทนาทางใจนะ น, นี้มันเป็ น, เ ป, นเป็นการบ้านที่สำคัญสำหรับนักปฏิบัต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 เห็นธทมหรือว่าจะเกิดปัญญาได้ต้องเจอทุกข์ก่อนความทุกข์มันจะบีบคั้นจิตให้หาทางออกแม่แต่เด็กนะตัวเล็กๆเก้าขวบสิบขวบนี่เขาก็รู้วิธีนะเขาก็หาทางออกจนได้นะเมื่อมีปีหนึ่งเด็กเดินประมาณเก้าขวบสิบขวบตามแม่มาที่จริงไม่เห็ตามแม่มาแม่บังคับให้มาเดินไปก็บ่นไปนะนอกจากจะไม่มีทีวีให้ดูแล้วนะยังต้องมาลําบากอยู่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 นะธรรมยาตายเป็นโอกาสดีนะปีนี้ก็จัดเป็นปีที่สิบห้านะคงทราบอยู่แล้วว่าจัดเพื่อเป็นอจัจเรบูชาหลวงพ่อคำเขียนนะคำ ข, ขวัญปีนี้คือว่าบูชาครูตอบแทนคุณนะที่จริงตั้งใจจะทำตั้งแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะอมรณภาพสิทนะแต่ว่ า, าเมื่อหลงพ่อจากเราไปนะแต่ว่าก็ยังก็ยังต้องทำกันต่อไปนะ ก็ยิงเป็นกำลังใจกับพวกเรานะปีนี้นี่จะด้เรื่องการภาวนามากจัดมา14ปีนี่ไม่เคยค้างแรมในป่าเลยนะอนะอย่างมากท่สุดก็ค้างแรมในอในทุ่งโลงอย่างมอหินขาวนะแต่ปีนี้นี่ไปค้างในป่าปรงแล้วก็อีกสองสาแห่งก็เพื่อได้เกิดภาวน า, าเต็มทีนะ่อันนี้ ก, ก็ก็เล่านะเพื่อ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 เอาละคำนี้ก็พูดกันเท่านี้กระาษภาพพร้อมกัน